หลวงปู่เอี่ยมสุวรรณสโรมีวาสนาในทางธรรมมาตั้งแต่เยาว์วัยโยมบิดามารดาท่านส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษาเรียนทางธรรมโดยส่งไปเล่าเรียนพระปริยัติธรรมอยู่ในสำนักพระมหายิม้มวัดบวรนนิเวศวิหารแล้วย้ายสำนักไปเรียนต่อที่สำนักพระปิดกโกศลหรือว่าพระอาจารย์ฉิมนะคะวัดราชบูรณะฝั่งทนบุรีค่ะเมื่ออายุ19ปีนะคะท่านไดบ้บรรพชาเป็นสมเณีเพื่อศึกษาเล่าเรียนพระปริยติธรรมต่อที่วัดหนัง ฮึ mm ่ม hmm. ระหว่างนี้นะคะท่านก็เข้าสอบแปลบาลีสนามหลวงแต่ว่าท่านก็สอบไม่ผ่านนะคะจึงได้ลาศิกขาบทออกมาช่วยกิจการงานของครอบครัวเมื่ออายุได้22ปีค่ะท่านก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วก็จำพรรษาที่วัดนางนองนะคะโดยศึกษาแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐานกับพระภาวนาโกศลหรือว่าพระอาจารย์รอดค่ะเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระพร้อมกับเรียนคันธธุระกับพระสังวรวิมลหรือพระ หแห่งวัดราชโอรสนั่นเองนะคะโดยในการศึกษาและก็ปฏิบัติธรรมกรรมฐานนั้นค่ะหลวงปู่เอี่ยมมีความสนใจอย่างยิ่งท่านปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาจนเป็นที่พอใจของพระอาจารย์ก็คือหลวงปู่รอดแล้วก็หลวงปู่รอดเนี่ยนะคะยังได้เป็นพระกรรมวาจาจารย์เมื่อท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุด้วยนะคะ พระภาวนาโกศลหรือหลวงปู่รอดค่ะนับว่าเป็นพระเถระผู้มีพลังจิตสูงยิ่งทั้งเชี่ยวชาญทางพุทธาคมส่ยเวทต่างๆอย่างเจนจบและก็วิชาทั้งหลายของท่านนะคะได้ถ่ายทอดให้แก่สิทธิเอกก็คือหลวงปู่เอี่ยมจนหมดสิน้น การที่หลวงปู่เอี่ยมสืบทอดวิทยาทั้งหลายเนี่ยนะคะย่อมแสดงให้เห็นว่าท่านก็ต้องผ่านการฝึกจิตจนมีอนุภาพถึงขั้นล้ำลึกเพราะถ้าจิตมีกำลังอ่อนด้อยจะไม่สามารถใช้วิชาเหล่านั้นสำเร็จประโยชน์ได้เลยหลวงปู่รอดค่ะ พระอาจารย์ของหลวงปู่เอี่ยมท่านนี้ท่านเป็นพระสายปฏิบัติที่ถือทุดงควัตตั้งแต่เป็นพระหนุ่มบวชได้ไม่กี่พรรษาแล้วก็ออกทุดงเพื่อบำเพ็ญความเพียรทุกปีไม่เคยขาดกระทั่งอายุล่วงเข้าวัยชาราสังขารขันไม่เอื้ออำนวยให้ออกไปตรากตรำในพื้นที่ธุรกันดาลอีกต่อไปนะคะท่านจึงยอมพักผ่อนอยู่ในอารามเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ สำหรับอัตราประวัติของหลวงปู่รอดค่ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องนะคะโดยที่เราจะนำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสายเวทนะคะหรือว่าศิยศาสตร์ที่หลวงปู่รอดเนี่ยไปเกี่ยวข้องด้วยมานาเสนอนะคะนั่นก็คือเรื่องที่หลวงปู่รอดนะคะท่านไปเจอกับมนต์ดของชาวกะเหี่ยงนั่นเองนะคะ เมื่อครั้งที่หลวงปู่รอดค่ะยังคงออกธุดงทุกการออกพรรษาครั้งนั้นนะคะท่านก็พาภิกษุสา ม, มเณรหลายรูปค่ะออกจากริศธุดงเพื่อฝึกอบรมตนแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์การบําเพ็ญในป่าเขาอันห่างไกลความเจริญนะคะโดยเส้นทางที่ท่านนํำพาไปนั้นเนี่ยจะอยู่ไกลาจากหมู่บ้านชุมชนซึ่งมีผู้คนพลุกพล่านโดยพื้นที่ที่ผ่านไปจะเป็นป่าดงแนวพรายซึ่งเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะสถานที่หยุดยั้งปัก ของหลวงปู่รอดเนี่ยท่านจะกําหนดให้เป็นพื้นที่ป่าเขาอันสงบสงัดเป็นสําคัญเมื่อหลวงปู่รอดนําคณะของท่านมาถึงทุ่งสมอนหนองขาวค่ะซึ่งอยู่ระหว่างรอยต่อของจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดราชบุรีนะคะพื้นที่นี้ก็จะเป็นป่าไม้เบญจพรรณก็จะมีต้นไม้หลายชนิดค่ะขึ้นคล้ากันไปโดยที่นี่นะคะจะมีหมู่บ้านเล็กๆไม่กี่หลังคาเรือนซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยง นะคะที่ตั้งหลักแหล่งอาศัยอยู่ที่นี่โดยชาวกะเหรี่ยงเหล่านี้นะคะก็จะทำมาอาชีพนะคะเพื่อที่จะหาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เลี้ยงตนด้วยการทำไร่แล้วก็หาของป่ามาขายโดยพวกเขานะคะก็นับถือพูดผีเป็นสระณะนะคะกระนั้นค่ะก็ยังยินดีในการทำบุญใส่บาตรพระทุดงที่จาริกผ่านมาชาวกะเหรี่ยงหมู่บ้านนี้นะคะซึ่งดูเป็นเพินเนี่ย ก็จะเหมือนชาวป่าชาวดอยซื่อๆไม่มีพิษภายอะไรแต่ว่าในกลุ่มคนที่ซึ่งดำรงชีวิตอยู่อย่างสงบนี่แหละค่ะมีบางคนเนี่ยคะคลั่งไคล้ในเดรัจฉานวิชาพวกไสยศาสตร์มนต์ดำอย่างหนักชาวกเกียงกลุ่มนี้มีความเชื่อในวิชาของตนว่าเคลิมขลังนะคะถึงขั้นสั่งเป็นสั่งตายแก่ผู้อื่นได้นอกจากนี้ก็ยังชอบทดสอบวิชา อันชั่วร้ายกับคนแปลกหน้านะคะที่บังเอิญผ่านมาค่ะหรือหากเป็นพระธุดงซึ่งจะริกเข้ามาในพื้นที่อาศัยของพวกมีวิชาไสยศาสตร์มนดำคนเหล่านี้นะคะก็ยิ่งชอบใจเพราะว่าพวกเขาเชื่อนะคะว่าพระธุดงย่อมมีวิชาอาคมแก่กล้าไม่เช่นนั้นย่อมไม่กล้าท่องเที่ยวไปในป่าดงเพียงลำพังเมื่อเชื่ออย่างนี้เนะะี่ยค่ะว่าพระธุดงเป็นผู้มีวิชาดี คนพวกนี้ก็ลองดีด้วยเพื่อทดสอบความขลังของวิชาตนว่าฉกาศเพียงใดในสมัยนั้นนะคะคุณผู้ฟังพระทุดงที่จะออกจาริกบำเพ็ญสมณธรรมเพียงรูปเดียวจึงต้องผ่านการฝึกผ่านการปฏิบัติกรรมฐานอย่างเขี้ยวก ร, รมอย่างหนัก และต้องมีความรอบรู้นะคะในสยเวทพุทธาคมจนเป็นที่วางใจได้นะคะว่าสามารถเอาตัวรอดได้เมื่อถึงคราวคับขันทําไม่เช่นนั้นแล้วก็พระอุปชาอาจารย์เนี่ยท่านจะไม่อนุญาตนะคะให้ออกทุดงโดยเด็ดขาดหากขืนดื้อดึงถือดีออกทุดงเพียงลาพังโดยไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์นะคะอาจจะไปพบกับคนพาลกระทาการทาร้ายจนมรณภาพได้นะคะ โดยในคืนที่หลวงปู่รอดค่ะท่านได้นำลูกศิษย์ไปปักกลดที่ทุ่งสมอนหนองขาวนั้นนะคะท่านก็พบกับกระเหี่ยมมนดำลองวิชาเข้าจนได้กล่าวก็คือดึกสงัดของคืนนั้นขณะท่านนั่งเจริญสมาธิอยู่ในกลดนะคะก็เกิดมีเสียงลมพายุอื้ออึงบริเวณป่าลึกแล้วเคลื่อนใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสียงต้นไม้ใหญ่น้อยหักถล่มรเนระนาดค่ะจนเสียงดังน่ากลัวนะะตลอดเวลาแต่ว่า น้าประหลาดใจนีคะคุณผู้ฟังที่ได้ยินแต่เสียงพายุโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงแล้วก็กำลังเคลื่อนใกล้เข้ามาแต่ว่ากลับกันค่ะไม่มีสายลมปั่นป่วนมากระทบผ้ามุ้งกรดแม้ให้กระเพื่อมไหวเอาซะเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะคะที่จะมีภาวะการเช่นนี้ตอนนั้นนะคะหลวงปู่รอดท่านก็ตระหนักว่าคงมีสิ่งไม่ดีและเลวร้ายเกิดขึ้นเป็นแน่ แต่ว่าท่านก็ไม่ได้วิตกกังวลจนเกินเหตุนะคะเนื่องจากได้กำชับพระเ น, นสิทตุรูปตั้งแต่ตอนเย็นแล้วว่าหากมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นในยามค่ำคืนห้ามออกจากกรดอย่างเด็ดขาดสำหรับตัวของท่านเองนะคะก็ยังคงเจริญภาวนาต่อไปโดยสงบค่ะ ไม่กี่อึดใจต่อมาคุณผู้ฟังเสียงพายุอื้ออึองได้เคลื่อนเข้ามาครอบคลุมรอบกรดของหลวงปู่รอดโดยที่ผ้ามุงกรดก็ยังทิ้งชายลงมานิ่งเหมือนเดิมนะคะคือไม่มีความไหวติงใดทั้งสิน้นแล้วก็มีเสียงคล้ายสิ่งหนักๆ ห, กหกล่นลงใกล้ๆมุงกรดจากนั้นเสียงพายุก็เงียบหายไปเป็นปิดทิ้งอย่างน่าอาศัศจรรย์ค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะ เมื่อหลวงปู่รอดออกจากกระดก็เห็นกระดูกมนุษย์กราดเกลื่อน ร, บรอบๆกรดของท่านท่านก็เลยเก็บกระดูกเหล่านั้นมากองรวมกันรพร้อมกับสั่งกำชับห้ามลุกสิทธุรูปไม่ให้สัมผัสแตะต้องกระดูกที่มาปรากฏอย่างลึกลับโดยหลวงปู่รอดนะคะท่านกล่าวว่ากระดูกเหล่านี้เนี่ยมีอันตรายอย่างยิ่งค่ะเพราะว่ามีผู้ส่งเข้ามาเนี่ยเขามีเจตนาเพื่อที่จะปิดชีวิตของท่านแต่เพราว่ากระทําการไม่สําเร็จ พระภิกษุลูกศิษย์กราบเรียนถามด้วยความสงสัยนีคะว่ากระดูกที่เห็นอยู่นี้เนี่ยถูกส่งมาด้วยวิธีอะไรและมาได้อย่างไรหลวงปู่ก็อธิบายให้ฟังสั้นๆเพียงแต่ว่าเป็นวิชาไสยศาสตร์อย่างหนึ่งซึ่งใช้พลังอำนาจของเวทมนต์คาถาควบคุมให้มาอย่างเป้าหมายค่ะ ส่วนจะมาได้อย่างไรนั้นนะฮะบอกไปก็ไรประโยชน์เพราะเป็นเรื่องซับซ้อนที่เป็นไปได้จากการผสมผสานของนามธรรมและรูปธรรมโดยมีอาถรนของศาสต ร, ร์แห่งสยควบคุมบังคับฉะนั้นเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วจงระมัดระวังตัวอย่าตั้งตนอยู่ในความประมาทแม้จะอยู่กลางป่ากลางเขาห่างไกลก็ตาม เมื่อฟ้าสว่างนะคะหลวงปู่รอดและก็พระเนนก็เตรียมตัวออกบินธบาตโดยตั้งใจจะเดินไปบินธบาติที่หมู่บ้านกะเรี่ยง 4- ีหหลังคาเรือนซึ่งก็อยู่ไกลพอสมควรค่ะทันใดนั้นก็มีชายชาวกะเรี่ยงโผลมา 3-4 คนนีคะแต่ละคนเนี่ยแบกจอบแบกเสียมพาดบ่ามาด้วยคือเมื่อเดินเข้ามาใกล้ก็เห็นหลวงปู่รอดและก็พระเนนทุกรูปเป็นปกติแต่ละคนก็มีสีหน้าแสดงพิรุษออกมาหลวงปู่รอดจึงถามว่าพวกโยมเอาจอบเอาเสียมมาทําไม ชายชาวกระเหรี่ยงทำท่าอึกอักมองหน้ากันพูดจาไม่ออกนะคะหลวงปู่รอดถามย้ำด้วยประโยคเดิมคนหนึ่งก็ตอบมาตามตรงว่าหัวหน้าพวกเขาสั่งให้มาฝังศพพระธุดงที่ถูกคุณสมรณภาพเมื่อพระธุดง์ไม่เป็นอันตรายเช่นนี้พวกเขาก็จะกลับ พร้อมกันนั้นก็ขอนิมนต์ให้พระเนรรอสักครู่พวกเขารีบกลับไปจัดหาพัตตาหารมาถวายให้ฉันแล้วกะเหรี่ยงกลุ่มนั้นก็รีบกลับไปหมู่บ้านค่ะโดยหายไปพักใหญ่ก็กลับมาอีกคราวนี้แบกสํำรับใส่ข้าวแล้วก็ของหวานมาด้วยนะคะมาคราวนี้ก็มีหัวหน้าหมู่บ้านร่วมขบวนมาด้วยมาถึงเบื้องหน้าหลวงปู่รอดแล้วก็พระเนนที่นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเจ้าตัวหัวหน้าก็จัดแจงยกสําหรับอาหารประเค้นให้ หลวงปู่รอดก็รับประเคนแล้วท่านยังไม่ตักข้าวและกลับใส่ลงไปในบาตรก่อนจะเลื่อนสําหรับให้พระและเนนรูปต่อๆไปท่านก็หยิบเอาขันน้ําพระพุทธมนต์นะคะที่ทําแล้วก็เตรียมไว้แล้วเอามาถือไว้โดยใช้น้ําพระพุทธมนต์พรมลงไปยังข้าวแล้วก็กลับในสํำรับนั้นนะคะทันทีค่ะคุณผู้ฟังที่น้ําพระพุทธมนต์กระทบถูกข้าวแล้วก็กลับที่อยู่ในถ้วยจานอาหารที่เห็นอยู่ว่าเป็นอาหารที่ปรุงมาแล้ว ก็ปรากฏนะคะว่าแท้จริงมันคือกระดูกผีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็หนามแหลมขนาดเล็กหัวหน้ากระเรียงและผู้ติดตามมาถึงกับหน้าซีดเผือดเจ้าตัวหัวหน้ารีบละล่ำาละลักแก้ตัวว่ามันไม่ได้มีความประสงค์จะทำอันตรายพระธุดงจนถึงแก่ชีวิตเพียงแค่ต้องการทดสอบวิชาของพระธุดงเท่านั้น ว่าแล้วก็ลนลานกราบลาแต่หลวงปู่รอดยังไม่คืนสํารับกับข้าวให้ในทันทีค่ะท่านก็กวาดเอากระดูกผีชิ้นเล็กๆเหล่านั้นพร้อมด้วยน้ําแหลมออกจากถ้วยชามมากองไว้แล้วก็เลื่อนสํำรับคืนให้เจ้าตัวหัวหน้ายังมีหน้ามาเอ่ยปากขอกระดูกผีกับน้ําคืนนะคะแต่ว่าหลวงปู่รอดท่านก็ไม่ให้ค่ะคุณผู้ฟังจากนั้นกะเหรี่ยงก็พากันกลับไป และนี่คือไสยศาสตร์แนวทางมนต์ดำที่แพร่หลายในพวกกะเหรี่ยงที่อยู่อาศัยตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกับพมา่าคนที่ได้รับการถ่ายทอดวิชานี้มานะคะจะต้องฝึกฝนทุ่มเทในการประจุความคลังให้บังเกิดอิทธิฤทธิ์และก็อาถรรพ์ตามที่ต้องการโดยมีมิจฉาสมาธิเป็นฐานเมื่อจิตมีพลังกล้าแข็งเต็มที่ก็ประกอบกับอาถรรพ์ของวิชาลึกลับซึ่งมี อาคมประหนึ่งเป็นประตูเปิดทางให้อนุภาพแห่งความขลังบังเกิดประสิทธิทผลนะคะ โดยศิยศาสตร์แขนง น, นี้ก็สามารถบรรดาลให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ค่ะแล้วก็กลายเป็นภาวะอันเหลือเชื่อดังกล่าวในวันนั้นนะคะเป็นอันว่าคณะพระทุกองของหลวงปู่รอดคนะ่ะต้องงดเว้นการฉันอาหารไป็นหนึ่งวันในคืนนั้นหลวงปู่รอดบอกกับสิทธิ์ท่านว่าท่านจะส่งของของมันกลับคืนไปยังเจ้าของเดิมเพื่อสั่งสอนให้รู้สํานึกซะบ้างว่าการลอบทําร้ายผู้อื่นด้วยเจตนาอำมหิตโหดเหี้ยมและทารนงตนนั้นมีผลอย่างไรหากผู้ ถูกกระทำไม่สามารถปกป้องคุ้มครองตนเองได้เขาจะได้รับทุกขวเวทนาอย่างแสนสาหัสเพียงไหนและในที่สุดก็คงถึงกับสิ้นชีวิตนะคะจากนั้นหลวงปู่รอดท่านก็ได้นำกระดูกแล้วก็น้ำแหลมทั้งหลายเนี่ยเข้าไปในกรดเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะฟ้ายังไม่ทันสว่างซะด้วยซ้ำกระเรียงกลุ่มเดิมก็พากันยกขบวนเร่งร้อนมานะะมาที่กรดของพระธุดงค่ะ มาการนี้ไม่ได้มาแค่จอบกับเสียมแต่ว่าแบกแครมาด้วยคุณผู้ฟังโดยมีเจ้าตัวหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยคือนอนแผ่สองสลึงอยู่บนเตียงเนี่ยมาด้วยแล้วก็ร้องครวญครางโอดโอยมาตลอดทางค่ะ พอมาถึงเบื้องหน้าของหลวงปู่รอดซึ่งยืนอยู่หน้ากรดพวกกะเรียงก็วางแคร่ลงแล้วก็สุดตัวลงหมอบกราบท่านพังละล่ํละลักอ้อนวอนให้ท่านเมตตาช่วยหัวหน้าของมันด้วยเนื่องจากวัตถุคุณใสของตนเนี่ยย้อนกลับเข้าหาตัวเองแล้วก็หมดปัญญาแก้ไขากาจัดให้ออกไปจากตัวเองได้ สภาพของเจ้าหัวหน้าชาวกะเหรี่ยงตัวนี้นะคะคือเนื้อตัวเนื้อตัวบวมเป่งมากแล้วก็ร้องครวนครางด้วยความเจ็บปวดไม่ขาดปากค่ะแสดงให้เห็นว่ากำลังได้รับทุกขเวทนาอย่างที่สุด หลวงปู่รอดก็เลยถือโอกาสสั่งสอนให้กะเหรี่ยงที่มีมิจฉาทิฐิเหล่านั้นประหนักถึงผิดชอบชั่วดีชี้ให้เห็นว่าการเบียดเบียนแล้วก็ประทุษร้ายผู้อื่นมันเป็นบาปเวรและหากผู้ถูกประทุษร้ายถึงแก่ความตายก็เท่ากับได้กระทากรรมชั่วอันหนักและผลแห่งกรรมนั้นย่อมจะสนองต่อผู้กระทาถึงขั้นตกนรกหมกไหมเมื่อตัวเองสิ้นชีพไปแล้ว หัวหน้ากะเหรี่ยงและพรรคพวกยอมรับผิดทุกอย่างและให้สัจวาจาวาจาสัญญาต่อหลวงปู่รอดนะคะว่าจะเลิกละในการใช้วิชาคุณสายกระทำร้ายผู้อื่นชั่วชีวิตหลวงปู่รอดท่านเห็นนะคะว่าชาวกะเหรี่ยงกลุ่มนี้เนี่ยสำนึกผิดพอสมควรท่านก็เลยรดน้ำมนต์ถอนคุณสายให้อาการเจ็บปวดทรมานก็ค่อยๆจางคลายหายไปร่างกายที่บวมเป่งก็ได้ยุบลง จนเป็นปกตินะคะพวกเกรเียงก็ลา ก, กลับไปแล้วก็รีบกลับมาพร้อมนำอาหารมาถวายแต่หลวงปู่รอดและคณะของท่านไม่รับเนื่องจากได้เตรียมตัวออกเดินทุดงต่อไปการที่เรานำเรื่องราวของหลวงปู่รอดหรือว่าพระภาวนาโกศลแห่งวัดนางนองเผชิญกับผู้ที่ใช้วิชาไสยศาสตร์ปล่อยคุณสายมาทำรายท่านและท่านได้โต้อตอบกลับไปด้วยเจตนาสั่งสอนให้สานึกผิดก็เพื่อแสดงให้เห็นนะคะว่า วิชาไสยศาสตร์นั้นเนี่ยมันมีจริงและก็มีมานานแล้วนะคะเป็นวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับอำนาตพลังจิตผสมผสานกับอาถรรพ์ความคลัง่งซึ่งเป็นอิทธิฤทธิ์อีกหนึ่งประเภทค่ะคุณผู้ฟังสามารถกระทําให้ปรากฏได้แต่ว่าวิชาไสยศาสตร์ส่วนใหญ่นะคะมักจะถูกใช้ไปในทางเบียดเบียนผู้อื่นซึ่งกล่าวได้ว่าไม่เกิดประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตอย่างเป็นปกติใดใทั้งสิ้นปัจจุบันนี้ค่ะ วิชาศยศาสตร์ได้เสื่อมถอยลงไปมากค่ะยิ่งเป็นวิชาศยศาสตร์ระดับสูงหลายวิชาเรียกว่าแทบจะสูญหายไปเลยทีเดียวหรือผู้ที่สืบทอดวิชาดังกล่าวก็ไม่สามารถรักษาอิทธิฤทธิ์ความแลังของตัวเองเอาไว้ได้ยิ่งโลกของเราเจริญแล้วก็ผู้คนมีความรู้สูงมากขึ้นเท่าไหร่ศยศาสตร์ก็ยิ่งถอยหลังแล้วก็เลือนลางหายไปมากเท่านั้นและเมื่อวิทยาศาสตร์อำนวยความสะดวต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ปัจจุบันรอบด้านและวิทยาศาสตร์ เป็นความรู้ที่เป็นรูปธรรมสามารถแสดงเหตุผลและต้องสัมผัสได้โด ย, ยศิลศาสต ร, ร์ซึ่งเป็นศาสต ร, ร์ลึกลับต้องอาศัยความเชื่ออย่างงมงายจึงถอดถอยหายไปเรื่อยๆค่ะสักวันหนึ่งนะคะเชื่อว่าศิลศาสต ร, ร์ย่อมจะสูญหายไปอย่างหมดสิน้นเหลือไว้แค่บันทึกเรื่องราวของศิลศาสต ร, ร์ที่ปรากฏในอดีตเท่านั้นค่ะ